รุ่งขึ้นเวลาบ่ายคล้อยใกล้จะถึงสายันหการธนิยะมอบหน้าที่ดูแลหมู่เกวียนให้แก่หัวหน้ารองรองลงไปแล้วก็ชวนสุรเสนะบุตรของตนเดินตรงไปยังหมู่บ้านมหาอำมมาศซึ่งปลูกรายเรียงเป็นเรือนยอดมีรั้วรอบขอบเขตเป็นตอนตอนติดกับมักคาสุรเสนะถือหอผ้ากาสีและเครื่องหอมซึ่งบิดาสั่งให้นามาเพื่อเป็นของฝาก แจ่สายรักผู้เป็นมหาอมาตแห่งกรุงราชครือดูก่อนลูกทนิยะกล่าวขึ้นในขณะเดินไปบรรดาผู้มีความสุขในโลกนี้สหายของพ่อเป็นคนหนึ่งและบรรดาบ้านที่มีความสงบสบายบ้านของเขาก็เป็นบ้านหนึ่งพ่อต้องการให้เจ้ารู้จักจันทรายณะมหาอมาตนี้ไว้เพื่อประโยชน์หลายประการดูก่อนลูก ยันทรารยนมะมหาอมาตกับพ่อเคยเป็นสิทธ์เรียนศิลปวิทยาในสำนักเดียวกันมาเมื่อเป็นเด็กเขาชอบเป็นข้าราชการพ่อชอบเป็นพ่อค้าด้วยเหตุนี้อาชีพของเราจึงแตกต่างกันแต่เราก็คงสนิทสนมคุ้นเคยกันติดต่อกันอยู่เสมอเขาเป็นคนมากไปด้วยความเมตตากรุณาและรู้จักวิธีเอาชนะศัตรูในราชสำนักจนสามารถเป็นอมาตผู้ใหญ่ ซึ่งแม้พระราชาแห่งแคว้นนี้ก็ทรงปรึกษากิจการที่สำคัญอยู่เสมอจันทรายณะเป็นบุตรของพ ร, รามผู้มีความรอบรู้ในพระเวทท่านบิดาตั้งชื่อให้เช่นนั้นเพื่อใช้พ้องกับชื่อของวัตตาจริยาอย่างหนึ่งซึ่งผู้บำเพ็ญจะกินอาหารเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดิถีแห่งดวงจันคือในสกลปักซึ่งดวงจันค่อยสว่างขึ้นทีละน้อย จนถึงเต็มดวงในดิธีที่15ก็กินอาหารเพิ่มขึ้นวันละคำจากดิธีที่1กินหนึ่งคำไปจนถึงดิธีที่15กิน15บหาคำครั้นมาถึงการละปักซึ่งดวงจันทร์ค่อยเมืดลงทีละน้อยก็ลดอาหารให้น้อยลงวันละคำจนถึงอมาวาสีคือวันแรมเต็มที่ก็ไม่กินอาหารเลยในวันนั้นครรัตแล้วจึงเริ่มกินตั้งแต่วันละคำเพิ่มขึ้นไปอย่างเดิมใหม่ ตามความหมุนเวียนแห่งปักที่มีจันทเพนจันรดับฉะนั้นจริยานี้จึงเรียกว่าจันทรายนาวัตคือการประพฤติตามความหมุนเวียนแห่งดวงจันทร์แต่จันทรายณะในบัดนี้เป็นผู้ถือเหตุผลตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพ่อและตัวเจ้าความประพฤติใดๆเป็นสายกลางไม่เบี่ยนตนไม่เบียนผู้อื่นไม่ตึงไปไม่หย่อนไปประกอบด้วยเหตุผล ที่พึงใช้ปัญญาพิจารณาได้เราจึงปฏิบัติตามทาง น, นั้นเมื่อธนิยะกล่าวมาได้เพียงนี้ก็พอมาถึงบ้านของจันทรายนะอันมีรั้วล้อมแต่โปรง่งมองเห็นภายในได้ถนัดเป็นเรือนยอดหลังใหญ่และมีบริเวณกว้างขวางมีดอกไม้ผลไม้อันปลูกไว้ระยะงามพอดีรั้นมาถึงประตูรัว้วคนรับใช้คนหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นและรู้จักทนิยะว่าเป็นใคร ก็เข้ามาทำคารวาแล้วเชิญเข้าไปพักณที่อันควรตนเองรีบเข้าไปในเรือนเพื่อแจ้งแจ่จันทรยนะมหาอัมมาตในขณะที่คอยเนื้อตังยาวตายตนซึกใหญ่ใกล้ตัวเรือนธนิยะได้ชี้ให้สุรสนะดูบ้านคนรับใช้เล็กๆหลายหลังในบริเวณนั้นแล้วกล่าวว่าคนรับใช้ในบ้านนี้แม้จะชื่อว่าเป็นทาตบ้างกรรมกรบ้าง ก็มีความเป็นอยู่ดีผิดกว่าชาติและกรรมกรทั้งหลายเพราะในบ้านนี้ไม่มีการด่าทอลงโทษเคี่ยนตีหรือทำการทารุณกรรมต่างๆแจกคนเหล่านี้พวกเขาได้รับการปฏิบัติจากจันทรายนะอย่างดีที่สุดเท่าที่คำว่าเมตตากรุณาในพระพุทธศาสนาจะมีความหมายไปถึงได้บางคราวพ่อมาบ้านนี้ก็พบจันทรายนะกาลังดูแลอยู่ที่เรือนทาต หรือกรรมกรผู้เจ็บไข้คนเหล่านี้ย่อมอาศัยอยู่ตลอดเวลาตลอดกาลนานไม่ปรารถนาไปอยู่ที่อื่นมีความพักดีประหนึ่งบุท ธ, ธิดารู้สึกต่อมารดาบิดาเพราะจันทรายณนะใช้คนอย่างรู้จักประมาณไม่ใช้จนเกินกำลังถึงคราวพักก็ให้พักและพูดจาปราศัยด้วยท้ายคำอ่อนหวานฟังแล้วทำงานไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อย บุตรดาและภระยาของจันทรายนะก็ได้รับการอบรมให้ปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นอย่างเดียวกันเวลาเช้าตรู่ในบ้านนี้แม้จะมีเสียงเรียกร้องคนให้ลุกขึ้นทำงานแต่ก็ไม่มีเสียงด่าทอเสียงบน่นไม่มีใครใครต้องมีน้ำตานองหน้าทำการงานมีสิ่งใดๆที่คนรับใช้ทำผิดเขาก็จะได้รับการชี้แจงตักเตือนแต่โดยดีไม่มีการด่าประจานให้อับอาย พ่อจึงว่าบรรดาบ้านทั้งหลายบ้านนี้เป็นบ้านหนึ่งที่มีความสงบสุขอันหนึ่งจันทรายณนะย่อมฝึกขัดให้คนในบ้านนี้ให้มีความเมตตาการุณาไม่ปัสทษวะารเบียดเบียนสัตว์เจ้าคงรู้สึกแปลกใจที่คนรับใช้ในบ้านนี้มีปฏิปทาดุดคนรับใช้ในบ้านของอนาถบินทิกะกรา บ, บดีแห่งกรุงสาวถีซึ่งมีปกติ ตั้งอยู่ในศีลธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกชนิดขณะนั้นชายสูงอายุคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะหน้าเขารบเกรงขามได้เดินยิ้มละไมมีคนรับใช้ที่เข้าไปเมื่อสักครู่ตามออกมาด้วยตรงเข้ามาหาธนยะด้วยอาการชื่นชมยินดีเป็นที่ยิ่ง ต่างเคารพ ก, กันและกันแล้วทนิยะก็นแนะให้สุรเสนะทำการคารวะและบอกแย่จันทรายนาวะว่านี้คือบุรของตนจันทรายนะรูปศีษะสุรเสนะโอบกอดด้วยความยินดีและกล่าวคำปราศัยพอสมควรแล้วก็พาคนทั้งสองขึ้นสู่เรือนทนิยะในมอบผ้ากาสีหนึ่งผับ พ, พร้อมด้วยเครื่องหอมซึ่งสุรเสนะถือมา จันทรายณนะกล่าวท้อยคำแสดงความขอบใจแล้วก็ให้เรียบบุต ธ, ธิดากับทั้งภรยาของตนออกมาไหว้ธนิยะและรู้จักกับสุรเสนะผู้ยังไม่เคยมาเลยในการก่อนในขณะที่คนเหล่านั้นทักทายกันและกันด้วยสารานิยกถาคนรับใช้ก็เข้ามาบอกว่าพักคุนายทานผู้ใหญ่แห่งแคว้นมคตจะขอเข้ามาพบจันทรายนะ กล่าวขอตัวกับธนิยะแล้วออกไปต้อนรับพาเข้ามาร่วมวงสนทนาแนะนำให้รู้จักกับธนิยะนายกองเกวียนผู้มีธรรมจันทรายนะกล่าวขึ้นว่าข่าวที่ทธ น, นิยะปราบโจรและดัดสันดานให้กลับใจเป็นคนดีได้โดยวิธีไม่ต้องปราดประหารเช่นฆ่ากันนั้นท่านพะคุเป็นผู้สืบทราบและกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบบัดนี้ ท่านมาพบกันนาที่นี้แล้วจึงนับเป็นมงคลโอกาสอันพึงยินดีพระคุแสดงอาการชื่นชมทำความเคารพธนิยะอีกครั้งหนึ่งและถามจันทรายนาว่าท่านมหาอามาตย์ท่านทนิยะนี้เป็นสายของท่านมาแต่การไรดูก่อนคุนพลแห่งเบญจกีรีนครเราเป็นสายร่วมเรียนศิลปวิทยาในสำนักอาจารย์เดียวกันมาตั้งแต่อย่างรุ่นนม แม้เมื่อแยกย้ายการประกอบการงานตามถนัดและความพอใจของตอนแล้วก็ยังพบปะเยี่ยมเยือนกันอยู่เสมอทันมหาอมาตยพระพเจ้าเป็นทหารซึ่งมีหน้าที่ระมัดระวังให้ความปลอดภัยแก่แว่นแคว้นเมื่อได้ทราบว่าผู้ใดมีสติปัญญาหลักแหลมควรจะได้อยู่ช่วยกันทาหน้าที่ที่พอใจจะชักชวนไว้ถ้าทันธนยะพอใจ จะละทิ้งการค้าขายมาร่วมรัชการในเบนจกคีรินคนครแล้วรพระพเจ้าจะกราบทูลพระราชาให้ตั้งท่านเป็นมนตรีประจำราชสำนักเป็นที่ปรึกษาราชกิตทั่วไปและโดยเฉพาะในทางทหารท่านย่อมรู้อยู่แล้วว่าในเวลานี้ขวาม่ไว้ใจวางใจระหว่างมคตกับวัชชีกำลังคุกรุนอยู่เหล่าจารบุรุษ ทั้งสองว่นแควนเที่ยวแทรกแซงอยู่ทั่วไปแม้ข้าพเจ้าเป็นทหารข้าพเจ้าก็พอใจในวิธีการอันแยบยนตแยบคายสงบเรียบร้อยไม่ต้องใช้วารีคือโลหิตเป็นเครื่องชำระล้างความขุ้นข้องหมองใจกันและกันดูก่อนคุณทัพจันทรายนะกล่าวตอบความชิดของท่านตรงกันกับของข้าพเจ้าแต่การชักชวนทันธนยะ ให้มาทำราชการร่วมกันกับเรานั้นข้าพเจ้าขอตอบแทนสายของข้าพเจ้าว่าไม่สำเร็จเพราะข้าพเจ้าได้เคยชักชวนมาแล้วตั้งแต่หนุ่มจนจะย่างเข้าปลายมัชชิมว ห, หน้าบัดนี้ท่านทานิยะก็ปฏิเสธตลอดมาและยิ่งท่านไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ในพระนศีแล้วเช่นนี้ก็เห็นจะพอใจสันโดษอยู่กับครอบครัวมากกว่าว่าแต่ท่านมาเยือนข้าพเจ้าถึงบ้านวันนี้เถิด มีข้อรัชการอะไรสำคัญหรือว่ามาเพียงเพื่อสนทนากันข้าพเจ้าขอรับรองว่าท่านทนันยสายของข้าพเจ้านี้เป็นผู้อันพึงไว้วางใจได้และบางทีข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านอาจจะให้คำแนะนำอะไรดีๆบ้างก็ได้ ในขณะนี้ภรรยาของจันทรายณนะพร้อมกบับบทิดาได้ชวนสุรเสนะไปจากที่นั้นแล้วคงเหลืออยู่แต่จันทรายณนะธนิยะและพะคุนั่งสนทนากันอยู่สามท่านท่านมหาอามาตย์พะคุกล่าวขึ้นท่านเชื่อไหมว่าแขวนมาโคตรเราอาจจะต้องเข้าสู่สงครามในเร็วๆนี้จันทรายณะหันไปมองดูทนิยะแล้วกล่าวว่าท่านทนิยะเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ทันย่าตอบว่าข้าพเจ้าเห็นว่าการสงครามเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่เพิ่งเคยมีในช่วอายุเราหรือจะมีขึ้นในเร็วๆนี้เพราะฉะนั้นถ้ามคตจะเข้าสู่สงครามก็เป็นไปตามปกติธรรมดาของโลกแต่ถ้าข้าพเจ้ามีหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นผู้คุมแผนของการแวนแวนควนข้าพเจ้าจะพยายามระงับสงครามจนสุดความสามารถทันทนยะผู้เจริญภคุ นายทัพแห่งควานมคตกล่าวขึ้นดังที่ข้าพระเจ้าได้กล่าวกับท่านแล้วแม้ข้าพระเจ้าเป็นทหารธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เตือนใจข้าพระเจ้าให้หาทางตกลงกันด้วยความสงบอยู่เสมอแต่ถ้ามคตถูกลุกรานเราจะทําอย่างไรเราได้ตกลงกันแล้วในสภาการทหารว่าถ้าถูกลุกรานเราจะรบจันทรายนาหันมามองหน้าทนิยะอีกแล้วกล่าวว่า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 ท่านจันทรายณะสหายของพ ร, ระพเจ้าผู้บำเพ็ญปฏิปทานี้อยู่แล้วจะอธิบายได้ดีถูกแล้วท่านพระคุจันทรายณะกล่าวขึ้นปฏิปทานี้เป็นธงชัยแห่งพระพุทธศาสนาที่ใช้ได้แม้ในการบ้านเมืองการผูกไมตรีเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่และการบำเพ็ญคุณงามความดีต่อกันและกันนี่แหละจะเป็นทางป้องกันการเบียดเบียนทั้งสองฝ่าย เราต้องมีวิธีทำศัตรูให้เป็นมิตรด้วยความดีอย่างจริงใจของเราอาจจะมีผู้คิดเพียงผิวเผินว่าการที่หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาสอนให้ชนะคนด้วยความดีนั้นเป็นการสอนให้อ่อนแอเป็นคนขี้แพ้ยอมเมตตากรุณาแม้แต่ศัตรูถ้ามนุษย์ปฏิบัติตามบ้านเมืองจะตั้งอยู่ได้อย่างไรจะไม่ตกไปอยู่ในมือของศัตรูหรือเพราะการฆ่าศัตรู ก็ชื่อว่าทำบาปเหมือนกันถ้าเรากลัวบาปเรามีต้องไปเป็นทาสเขาหรือปัญหานี้รพระพเจ้าเห็นว่าเราควรชี้ควรพูดควรหาเหตุผลกันให้แตกหักเพราะศาสนาของเราไม่รังเกียจการพูดแยง้งเพื่อหาความจริงตามความเห็นของรพระพเจ้าหลักธรรมข้อนี้ของพระพุทธศาสนาเฉียบแหลมมากจนคนที่พิจารณาเพียงผิวเผินเห็นว่าผิด เพราะคล้ายๆกับว่าเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วจะต้องหัดเป็นคนเสียเปรียบให้คนอื่นด่าว่าหรือคมเหงเรื่อยๆไปถ้ามองดูให้สุขุมลึกซึ้งแล้วจะเห็นได้ว่าหลักธรรมนี้ไม่ทำให้เป็นคนขี้แพ้หากทำให้เป็นคนไม่แพ้ใครเพราะไม่ต้องรบกับใครทำให้เป็นคนไม่มีศัตรูเพราะไม่ปลูกศัตรูเป็นการแก้ที่ต้นเหตุตัดเหตุแห่งความเดือดร้อนทั้งมวล การแย้ปลายเหตุคือรอให้ศัตรูย่ำหยีแล้วจึงต่อสู้กันนั้นก็คงมีแพ้บ้างชนะบ้างเสมอบ้างแต่จะแพ้จะชนะหรือจะเสมอก็ตามความเสียหายย่อมจะเกิดจะคู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายซึ่งเปรียบเสมือนศาสของโสโครกใส่กันและกันคงต้องเหม็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายฉะนั้น หลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาแย่ไม่เกิดการศาสตร์ของโซโครกใส่กันไม่ให้รบกันให้เมตตาอารีเอื้อเฟื้อเพลผากันจะชื่อว่าหัดให้อ่อนแออย่างไรเราลองคิดกันดูเถิดว่าการที่เราสอนให้ใช้น้ําดับไฟแทนใช้น้ํามันดับนั้นเป็นการสอนถูกทางหรือไม่และถ้ายิ่งปรากฏว่าเราสอนให้รู้วิธีทำไม่ให้เกิดไฟไหม้ขึ้น ซึ่งทำให้เราไม่ต้องเดือดร้อนในการดับนั้นเป็นการโง่หรือฉลาดกว่าการสอนใหเอาน้ำมันดับไฟเพียงไรการที่เราต้องลังเลว่าการฆ่าศัตรูเป็นการบาปหรือไม่นั้นแปลว่าเรารเผชิญปลายเหตุเสี็แล้วเรารอให้เกิดศัตรูเสี็จแล้วจึงคิดแจ้ซึ่งเปรียบเหมือนเรารอให้ไฟไหม้แล้วจึงหาวิธีดับพระพุทธศาสนาสอนไว้ทั้งวิธีป้องกันไม่ใหเกิดไฟ คือไม่ให้เกิดศัตรูสอนทั้งวิธีดับไฟที่ถูกทางคือเมื่อเกิดศัตรูแล้วให้รู้วิธีแย้ให้เหมาะสมอย่าไปเพิ่มความเป็นศัตรูให้มากขึ้นหากให้รู้วิธีลดความเป็นศัตรูให้น้อยลงโดยใช้ความดีเข้าโต้ตอบอันเทียบด้วยการลดกําลังไฟด้วยน้ําหรือวัตถุที่ไม่เป็นเชื้อไฟอื่นๆมีโคลนเป็นต้นฉะนั้น พูดมาถึงเพียงนี้แล้วก็จะเลยเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องชวนให้คิดให้เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะพิจารณาว่าจริงหรือไม่ควรเชื่อหรือไม่ในอดีตการมีเทวาลัยศักดิก์สิทธิ์แห่งหนึ่งตั้งอยู่นักพรมแดนระหว่างแคว้นกุรุกับปัญจาละกระิยัทั้งสองแคว้นนี้เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันต่างยกกองทัพเข้ารบพุ่งช่วงชิงอาณาจักรของกันและกัน ผัดเปลี่ยนกันเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะบ้างชนะติดติดกันบ้างแพ้แล้วแพ้อีกบ้างเมื่อมีโอกาสจะรบกันได้ก็รบกันเสมอมาเพราะฉะนั้นในขณะที่ว่างการรบเพราะฝ่ายหนึ่งแพ้ลงจึงเท่ากับเป็นการพักผ่อนหากำลังเตรียมทำสงครามแยกแค้นของฝ่ายแพ้ณนะเทวาลัยนั้นมีเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยู่เทพผู้มีอายุยืนนับ พ, นพันพันปีล่วงมาแล้ว เคยแสดงความศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏแจ่มนุษย์จึงเป็นที่นับถือเคารพยำเกรงของคนทั่วไปเมื่อกษัตริย์ฝ่ายใดมีกำลังจะยกกองทัพเข้าไปรุกรานอีกฝ่ายหนึ่งพอผ่านเทวาลัยนั้นก็จะแวะทำคาระวะและสังเวยไม่ได้ขาดเทูุสิงอยู่หน้าเทวาลัยนั้นได้รู้เห็นแห่งการสงครามระหว่างสองแคว้นนี้ เหลือที่จะนับประมาณได้ว่าจีครั้งต่อจีครั้งแต่ก็ได้สงบใจวางอุเบกขาปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมของสัตว์พวกระหายเลือดฆ่าฟันกันอย่างมีจิตมืดมัวตลอดมาสมัยหนึ่งเมื่อกษัสัตย์สองฝ่ายยกทัพมาประชิดกันณชายแดนนั้น เทพผู้ทนวางเฉยมาหลายชั่วสิบอายุคนแล้วเห็นเป็นการสมควรที่จะสอนหมู่มนุษย์ให้สำนึกในความคลั่งสงครามของตนแล้วให้รู้สึกสลดใจรู้ความจริงเสียสักทีจึงสำแดงกายให้ปรากฏลอยอยู่กลางอากาศกล่าวประกาศแจกกษัตริย์นายทัพนายกองและพลทหารสองฝ่ายด้วยเสียงอันดังว่าดูกนมนุษย์ทั้งหลายเราคือเทพผู้สถิตอยู่ณนะเทวาลัย ซึ่งพวกท่านทั้งหลายเคยเคารพบูชาโ น, น้นเราได้ทนดูพวกท่านทำสงครามกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วและรู้ด้วยว่าพวกท่านคือใครและใครบ้างที่เวียนตายเวียนเกิดรบ ก, กันอยู่ตรงนี้ดูก่อนกษัตริย์และพลกายแห่งกูรุท่านรู้หรือไม่ว่าบางครั้งท่านไปเกิดเป็นชาวปัญจาละแล้วยกทัพมารบเพื่อชิงกูรุซึ่งท่านเกิดอาศัยอยู่ในชาตินี้ ดูก่อนกษัตริย์และพลากายแห่งปัญจาระท่านรู้หรือไม่ว่าหลายครั้งมาแล้วที่ท่านไปเกิดในแดนกุรุแล้วยกทัพมาตีแคว้นปัญจาระของท่านเองท่านเวียนเกิดเวียนตายในแคว้นโน้นบ้างนี้บ้างแล้วก็ยกทัพมาฆ่ากันอย่างมืดบอดเพียงเพื่อให้ความประสงค์ของตนในชาติปัจจุบันสำเร็จผลแต่ครั้นแล้วในชาติต่อไปท่านก็ไปเกิดในแคว้นตรงกันข้าม ยกทับมาแก้แค้นฝ่ายตัวเองทำทารุณกรรมต่อลูกหลานว่านเครือของตัวเองอีกท่านทั้งสองฝ่ายได้แก้แค้นตัวเองและรบพุ่งกันเองอย่างสับสนกันอยู่อย่างนี้กี่ครั้งกี่หนมาแล้วเป็นเรื่องน่าสรุปสังเวชเราขอให้ท่านทั้งสองฝ่ายเข้าใจเรื่องที่เป็นจริงแล้วเลิกรบกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงปลูกมิตรีในกันและกันช่วยเหลือเผื่อแผ่กัน แล้วท่านก็จะมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายมนุษย์ทั้งสองขวา น, นั้นจะรับความสลดใจต่างเลิกรบและเชื่อมสัมพันธไมตรีกันตลอดมาเพราะอาศัยเทพองค์นั้นซึ่งข้าพเจ้าขอสมมตินามท่านว่าสารติเทพบุตรนิทานของข้าพเจ้าจบลงแต่เพียงเท่านี้บางทีจะเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนถ้อยคําของท่านทานิยะได้อีกทางหนึ่ง โปรดอย่าว่าข้าพเจ้าพูดขัดเลยขุนทัพแห่งเบนจะคีรีนครแยง้งหลักทําดีต่อผู้อื่นนั้นก็ น, นับว่าแยบคายแต่วิสัยคนผ่านแล้วแม้เราจะทําความดีต่อเขาสักเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะยิ่งทําให้ได้ใจเพื่อจะเบียดเบียนเรายิ่งขึ้นดูก่อนขุนทัพข้าพเจ้าเห็นใจท่านผู้เป็นทหารแต่ข้าพเจ้าจะอุปมาให้ท่านฟันเหล็กท่อนใหญ่ และยาวขนาดเสาเรือนเราคงยอมรับกันว่าถ้าจะหักให้งอหรือขาดจากกันแล้วก็เป็นการเหลือวิสัยเพราะเพียงแต่จะทำให้เคลื่อนที่ก็เป็นการยากยิ่งแล้วแต่ท่านจะปฏิเสธทีเดียวหรือว่าไม่อาจทำให้งอหรือขาดจากกันได้ถ้าเรามีเครื่องมือสาหรับดัดหรือตัดอันยิ่งใหญ่กว่าเหล็กท่อนนั้นหลายเท่าภาชนะน้าโลหะที่อยู่เบื้องหน้าเรานี้ถ้าให้หมดยก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 มีความอดทนและพิจารณาเหตุผลในการประกอบจิตเพื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายแม้จะต้องประสบอุปสรรคแล้วแล้วเล่าๆก็ไม่ผึงย่อท้อและเมื่อพูดมาถึงเพียงนี้แล้วจะขอกล่าวถึงเรื่องส่วนตัวของข้าพเจ้าให้ฟัง ท่านก็เป็นนายทหารมานานยอมรู้จักรพระพเจ้าดีว่าได้ต่อสู้เอาชนะผูริษยาอาฆาตและศัตรูในราชสำนักมาอย่างไรคนสำคัญสาคัญที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นคนพานหาที่เปรียบได้ยากบุคคลเหล่านั้นพยายามแกล้งพยายามเบียดเบียนพระพเจ้าโดยประการต่างๆและรพระพเจ้าได้พยายามเอาความดีเข้าต่อสู้ในชั้นแรก ก็ดูเหมือนจะทำให้เขาได้ใจอย่างที่ท่านว่าจริงแต่ต่อมากลับมากราบข้าพเจ้าจนถึงบ้านขอนับถือเป็นผู้มีอุปการะคุณคนหนึ่งในเมื่อปรากฏว่าข้าพเจ้าได้เคยกราบทูลพระราชาขอให้สงเลื่อนตำแหน่งแก่ผู้นั้นทั้งๆ ท, ที่เขาจงเกลียดจงชังริษยาข้าพเจ้าดูก่อนขุนทับการทำความดีข้างนอกให้ร่มเงา ของความดีใช้มาเป็นความสุขแก่ตัวเราเองนี้คนมักจะมองข้ามไปและเห็นเป็นไม่สําคัญยิ่งกว่านั้นยังนิยมเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อส่งเสริมความสุขของตนซึ่งหารู้ไม่ว่าแท้จริงการทําเช่นนั้นเท่ากับเรียกร้องความหายยนะล่มจมมาสู่ตนยิ่งขึ้นเพราะผู้ที่ถูกตนเบียดเบียนย่อมจะหาทางแก้แค้นโต้อตอบแต่ถ้าเราทําดีต่อคนทั่วไป เราก็ชื่อว่าทําความสุขให้แก่ตนเหมือนคนมุงหลังคาบ้านแต่ความร่มเย็นส่งผลมาถึงตัวเองหรือผู้รดน้ําต้นไม้แต่ผลได้ตกอยู่แก่ผู้นั้นเองการทําความดีต่อคนอื่นแต่ให้ผลดีมาตกอยู่ที่ตัวเรานี่แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นข้อมุ่งหมายตรงกันระหว่างข้าพเจ้าและทันทนิยะผู้แสดงความเห็นเรื่องการทําให้ผู้อื่นรุกรานเรา ท่านมหาอำมารรมาต์ข้าพเจ้าจะลองนำความเห็นนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาทหารและนำข้อตกลงกราบทุนแดพระราชาแต่ถ้ามีการกะตัวบุคคลผู้จะไปเป็นทูตจำเริญสัมพันธไมตรีอย่างที่จะไม่ให้ใครศัตรูดูหมิ่นได้ว่าเราไปเพราะเกรงกลัวเขาแล้วท่านจะรับหน้าที่ทูตได้หรือไม่ท่านนายทหารข้าพ เ, เจ้ายินดีรับหน้าที่นี้ จนเต็มความสามารถเพราะเป็นการระ ง, งับกระแสทานแห่งโลหิต ด, ด้วยหลักสันติของพระศาสดาท่านมหาอัมมาตท่านจะกรุณาชี้แจงให้ฟังได้หรือไม่ว่าท่านจะพูดอย่างไรให้กษัตริย์ต่างแควนเห็นว่าเราจำเริญสัมพันธไมตรีมุ่งธรรมมุ่งสันติไม่ใช่เพราะเกรงกลัวอำนาจของใครๆท่านนายทหารมาคตเป็นแวนใหญ่ มีกำลังกองทัพอันหน้าพรั่นพรึงลู่ทางที่จะพูดให้มีสง่านั้นไม่เป็นของยากแต่เรื่องนี้เป็นเพียงสมมติเท่านั้นเรายังไม่ได้ตกลงกันว่าจะปฏิบัติจริงจังเพียงไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเราควรยุติเรื่องรายละเอียดไว้ก่อนธนิยะและสุรสนะกลับมาถึงหมู่เกวียนค่อนข้างดึกแต่จันทรายณนะก็ให้คนจัดคบญาเตรียมไว้แล้ว ทั้งประทิบน้ำมันตามถนนบางสายก็ยังคงตามสว่างอยู่การกลับของสองพ่อลูกจึงสะดวกดีทุกประการ